การรักษาจิตใจไม่ให้อกุศลธรรมกุธรรมครอบงําการทําให้กุศลธรรมเจริญงอกงามมากขึ้นหรือว่ารักษาใจของตัวไม่ให้ความทุกข์มันบีบคั้นนะรักษาจิตใจไม่ให้ถูกปัททุศรายจิตมันถูกปัททุศรายด้วยอะไรนะก็ถูกปัททุศรายด้วยกิเลสได้แก่โลภะโทสะโมหะหรือว่า ตันหามานทิทิฏคนที่ไม่รักตนนะก็คือคนที่ไม่รักษาจิตใจของตนปล่อยให้โลภะโทสะโมหะนะมันครอบงาใจการทํากายทุจริตก็ดีนะวจีทุจริตก็ดีหรือมโนโทุจริตหรือการทําความชั่วทางกายวาจาใจนี่ถือว่าทำร้ายประโยชน์ตนนะบัณฑรประโยชน์ตน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 ไม่ให้ความทุกข์หรือกิเลสครอบงำใ้การรักษากายนะไม่ให้เกิดความทุกข์ทุกวันนี้นะก็ทำได้ง่ายแต่ว่ายังไงมันก็ต้องเจอทุกข์จนได้นะทุกข์เพราะความแก่ทุกข์เพราะความเจ็บความป่วยยังไม่ต้องพูดถึง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 นอกเหนือจากการทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลนะการทำความเพียรในการาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานั่นก็เป็นการเพิ่มผนประโยชน์ตนด้วยเหมือนกันในส่วนการทำความดีเราก็ทำไปแต่ก็อย่าไปคาดหวังว่าทำดีแล้วเนี่ยมันจะ เ, เจอแต่สิ่งดีๆตลอดเวล า, เาคนที่เข้าใจอย่างนั้นเนี่ยนะ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 มยความสุขไปจากใจของเราไม่มีใครที่จะยัดเยียดความทุกข์ให้กับจิตใจของเราได้เมื่อสักปีที่แล้วละมั้งนะมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นใอประเทศอังกฤษนะก็มีคุณลุงคนหนึ่งเนี่ยแกชื่อจอรนะ์นวันหนึ่งก็กำลังเดินเล่นอยู่บนถนนนะจู่ๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งมาผลักข้างหลัง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 คุณลุงจรเนี่ยแกเพียงอยากจะถามผู้หญิงคนนี้ว่าทำไมถึงทาอย่างนี้บอกผมได้ไหมว่าทำไมถึงทำอย่างนี้กนแกไม่มีความโกรธเลยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เชี่เห็นว่าเนี่ยผู้หญิงคนนี้ทำได้แต่ทำร้ายแต่ร่างกายของแกแต่ไม่สามารถทำร้ายจิตใจของแกได้จิตใจแกก็ยังไม่ได้มีความทุกข์ไม่ได้มีความโกรธแค้นอะไรเลยเพียงแค่สงสัยว่า ทำชั้นทำไมแล้วนักข่าวก็ถามต่อไปว่าเหตการครั้งนี้เนี่ยมันมันทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงบ้างหรือเปล่าแก ต, ตอบดีก็บอกว่า ม, ม, นะมันทำให้ผมได้คิดว่ามันทาให้ผมได้คิดว่าสักวันหนึ่งผมตื่นเชา้าขึ้นมาแล้วก็เดินเล่นอยู่ก็อาจจะโดนรถเมล์แล่นทับตายก็ได้ชีวิตนี้มันไม่แน่นอนเลยนะ เราไม่มีทางรู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเรามันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทาให้ผลได้คิดว่าจะต้องทำสิ่งดีที่สุดในทุกวันก็คือว่าทาวันนี้ให้ดีที่สุดนั่นเองนะแกได้ข้อคิดตรงนี้นะซึ่งแสดงว่าแกรู้จักนะใช้ประโยชน์หรือหาประโยชน์จากเหตุการณ์ทั้งที่มันเป็นเรื่องที่เวลวร้ายมาก กรณีนี้ น, น่าสนใจที่ว่าหนึ่งแกไม่โกรธนะแกไม่โกรธผู้หญิงคนนั้นแม้ว่ากายกายจะทุกข์แต่ใจแ ก, กไม่ทุกข์ด้วยเพราะแกให้อภัยนะประการที่สองเนี่ยนอกจากแกไม่ทุกข์ใจแล้วนี่แกยังได้ประโยชน์นะจากเหตุการณ์นี่คือมันเตือนใจให้แก่ไม่ประมาท ก, กับชีวิตนะทำชีวิตนี้ให้ดีที่สุดอ่าคนจํานวนมากเนี่ยพอเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือว่าเจอเหตุการณ์น้อ ง, นองเนื่อง อาจจะเบาวกว่า น, นี้เยอะเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่แค่ทุกกายาเดียวทุกใจด้วยแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยจากเหตุการณ์นี้อาจจะรู้สึกเสื่อมศรัทธานในความดีว่าทําไมถึงเป็นฉันนะฉันกุศลทําความดีสร้างบุญสร้างกุศลแล้วทาไมยังต้องมาเจอแบบนี้แสดงว่าทําดีไม่ได้ดีต่อไปนี้ฉันไม่ทําบุญนะไม่ทําความดีดีกว่าอันนี้หนักเข้าไปใหญ่เลยนะ ก็คือนอกจากจะทุกข์ใจแล้วนี่ก็ยังเกิดวิชาทิฏฐิหรือเกิดความาเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องกรรมและการทำความดีคนเราเนี่ยนะถ้าเราฉลาดในการรักษาประโยชน์ตนเนี่ยเมื่อ เ, เจอเหตุการณ์ทำนองนี้หรือว่าน้อยนน้องน้อ ง, องแบบนี้ก็ตามเนี่ยอย่างแรกที่ต้องทำคือรักษาใจไม่ให้ทุกข์ไอ้กายเนี่ยมันเจ็บไปแล้วนะหรือว่ามีการขโมยของ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 ไม่ว่าเจอเหตุร้ายยางไรก็ตามเนี่ยหนึ่งรักษาใจไม่ให้ทุกข์และสองเนี่ยพยายามหาประโยชน์จากมันอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าไม่ขาดทุนแล้วก็ได้กำไรเรื่องราวของเค้ที่พูดเมื่อวานเนี่ยก็คล้ายๆแบบเนี้นะก็คือเธอโดนน้ำสดน้ำกรดสาดหน้าเสียโฉมตาบอดอนาคคกระพลิกผันเลยแต่หลังจากเธอตั้งตั้งตัวได้นะ ผ่านไปสองสมปีก็ตั้งตัวได้หลังจากที่ทุกข์มากก็วางจิตวางใจได้ถูกคนมาถามเธอว่าโกรธแค้นผู้ชายคนนั้นไหมเธอก็บอกว่าไม่โกรธเลยขอบคุณเขาด้วยซ้าการที่เธอผู้ชนไดนี้แสดงว่าเธอสามารถที่จะปล่อยวางปล่อยวางไม่เครียดแค้นผู้ชายคนนี้ถ้าเธอเครียดแค้นนี้เธอก็จะเจ็บปวดนะ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 จากเหตุการณ์นี่คือมันสอนให้เธอได้เรียนรู้การปล่อยวางแล้วก็ทำให้เธอปล่อยวางเรื่องอื่นได้ง่ายด้วยนันเธอไม่ค่อยเธอไม่ไม่แคร์ล้วว่าคนเขาจะมองเธออย่างไรแต่ก่อนเธอนี่หวั่นไหวกับสายตาคนมากนยะอยากให้คนชมว่าฉันสวยเพราะเธอสวยจริงจริงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคนจะมองว่าหน้าเธอหน้าตาเธอหน้าเกลียดยังไงเธอก็ไม่ได้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 นะเพียงแค่ไม่มีคนกดไลค์นี่ก็ทุกข์ลวไม่กดไลค์ไม่พอดันคอมเมนต์อีกนะยิ่งเป็นทุกข์เข้าไปใหญ่มีบางลายนี่ไม่ใช่บางลายเยอะมากทีเดียวพยายามถ่ายรูปตัวเองอัพโหลดขึ้นเฟ e บุ๊ k ที่เขาเรียกเซลฟี่เซลฟี่เนี่ยบางคนนี่วันหนึ่งใช้เวลาเป็นหกจชั่วโมงนะันในการถ่ายรูปหน้าตาตัวเองเพื่อจะให้รูให้ได้รูปที่ดีที่สุดเอาขึ้น facebook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 ก็เลี้ยงสัตว์แล้วก็เลี้ยงม้านะมีม้าหลายตัวทีเดียวแล้วเขาก็าทำไร่ด้วยไล่ข้าวโพดไล่ข้าวสาลีนะอันนี้เกิดขึ้นที่เมืองนอกและวันนี้คืนดีม้าตัวเก่งเนี่ยตัวตัวงามเนี่ยมันก็เกิดเกิดออกจากอคอกไปแล้วก็หายเข้าไปในป่าใครๆก็ว่าเนี่ยเออ เจ้าของฟาร์มเจ้าอของค อ, อกม้านี่สวยนะเจอเคราะหะ์แล้วบอกว่าวันต่อมาไอ้มาตัวนี้เนี่ยมันออกมาจากป่าและแถมมันพาคู่ของมันออกมาด้วยเป็นม้าป่าเป็นม้าป่าที่สวยมากเลยเพื่อนบางก็พูดว่าเออเขาโชคดีนะได้มา้ารูปงามนะมาตัวหนึ่ง ม้าป่าเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องฝึกให้มันเชื่องก็ให้ลูกให้ลูกชายเนี่ยอสอนมาตัวนี้ลูกชายก็ควบขี่มาตัวนี้ไอ้ตัวใหม่เนี่ยปรากฏว่ามันพยศสะบัด ต, ตกลงมาขาหักชาวบ้านก็บอกว่าโชคร้ายนะสองวันต่อมาพัสดีนะมาในหมู่บ้านแล้วก็เกณฑ์ชายหนุ่มไปเป็นทหารเพราะว่ามีการประกาศศึกสงคราม ให้ชายหนุ่มทุกคนนะที่สุขภาพดีถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารหมดเลยยกเว้นลูกชายเจ้าของฟาร์มคนนี้เพราะว่าขาหักคนก็เลยบอกว่าอันี้โชคดีนะขาหักกลายเป็นโชคดีนะม้าหายเนี่ยกลายเป็นโชคดีเพราะว่ามันพาม้าตัวใหม่มาโชคกลายเป็นเคราะ์แล้วเคราะกลายเป็นโชคโดยที่บางทีเราไม่ต้องทําอะไรเลยแต่ว่าถ้าคนฉลาดเนี่ยนะบางครั้งเราต้องทําหรือเปลี่ยน คลอดให้กลายเป็นโชคให้ได้อย่างตัวอย่างสองคนนี้เนี่ย เ, ยเขาก็ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนคลอดให้กลายเป็นโชคนะก็คือทําให้อ่าเขาได้ข้อคิดในทางธรรมหรือบางคนเนี่ยนะอ่าเป็นมะเร็งนะเป็นมะเร็งนี่้ายๆก็ว่าเป็นครอดทั้งนั้นแหละแต่ว่าก็มีผู้ป่วยมะเร็งหลายคนที่หลังจากนั้นผ่านไปไม่กี่ปีก็บอกว่า โชคดีที่เป็นมะเร็งนะขอบคุณที่เป็นมะเร็งเพราะมะเร็งทำให้เขาได้พบธรรมะหรืออย่างคนที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งนะเอยชื่อก็รู้จักสตนะีฟจ็อบเนี่ยสตีฟจ็อบนี่เคยถูกปลดออกจากบริษัทที่ตัวเองเป็นซีอกรรมาการปลดเลยนะออกจากบริษัท Apple ที่ตัวเองสร้างขึ้นมาแล้วเขาเสียใจมากแต่หลังจากนั้นผ่านไปสิปีมั้ง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 หรือเกือบจะถูกแยกขายเป็นชิ้นส่วนย่อยๆให้กับ IBM บ้างบริษัทอื่นบ้างเขาก็ทำให้ Apple นี่กลายเป็นบริษัทที่ใหญ่มีอีกลายหนึ่งนะเป็นชาวหนุ่มเนี่ยอพยพ ม, มาจากแถวเนี่ยแถวยูเครนมาอยู่อเมริกาก็ดิ้นรนสร้างเนื้อสร้างตัวจกนกระทั่งเก่งเรื่องคอมพิวเตอร์แล้ววันนึงก็ไปสมัครกับเยา o ูเยา o ูนี่ก็เป็นบริษัทใหญ่มาก เยาวูไม่รับเขาไม่รับแล้วทางานตกงานตกงานเขาก็เวลาส่วนหนึ่งเขาก็ไปเที่ยวแล้วเวลาส่วนหนึ่งเขามีเวลาว่างเยอะก็เลยพัฒนาโปรแกรมเขาเลยแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันที่เขาพัฒนานี่มันตอนหลังมีชื่อมากเนี่ยในเมืองไทยจะไม่มีชื่อแต่เมืองนอกนี่มีชื่อมากคือ What ์แอพนะวอทช์แอพนี่ก็เหมือนกับไลน์บ้านเราอะไอไลน์นี่มันใช้ได้ มันเป็นที่นิยมเฉพาะไทยญี่ปุ่นแล้วก็ไต้หวันแต่ทั่วโลกเนี่ยเขาใช้ WhatsApp กันเขาไม่ใช้ l ล n e ไอชายหนุ่มคนนี้เนี่ยวันดีคืนดีก็ถูกทาบทามจาก y a h o ูบอกขอซื้อได้ไหมขอซื้อทิคเก็ขอซื้อกิจการเลยเขาขายนะสี400่ร้อยกว่าล้านดอลลาร์หมื่นกว่าล้านบาทเขาบอกเนี่ยเออถ้า y ย h o ูรับเขาทำงานนะ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 เธอเจอทุกมาด้วยตัวเองก็เลยทราบซึ้งแก่ใจเลยนะคือคนที่ถ้าเกิดว่าสุขสบายดีนะมาพูดเรื่องความทุกข์นี่ก็คงไม่ทราบซึ้งนะแต่ว่านางปตจลนี่ซึ้งมากเลยพุจจารตัดว่าเนี่ยว่าน้ำตาที่เกิดจากความสูญเสียพัดพร่างเนี่ยชาิแล้วชาิเหล่านี้มันมันมากเท่ากับน้ำในมหาสมุทรเลยนะน้าในมหาสมุทรเนี่ย มันพอๆกับน้ำตาที่หลังออกมาเพราะความสูญเสียชาติแล้วชาติเลากี่ชาติอ่ะกี่สงไขยละนักวิจารณ์นี้ก็เห็นภายในวัตตสงสารเลยนะั้นเจ็ดดดพ้นเลยเกิดปัญญาเป็นพระโสดาบันคือถ้าไม่เสียมากมายขนาดนั้นก็อาจจะไม่บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันก็ได้เพราะว่าพื้นเพลไม่ได้สนใจธรรมะเลยเช่นเดกนางกีสากตมีก็เสียลูก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 รู้ว่าสอนไม่ได้นะเรื่องอันติจังทุกขังงนัดตาไม่เหมือนนางปตัจลานี่ยังสอนนะผู้เจ้ายัางสอนนางปตัจลาแต่ว่านางกิากุตมีผู้เจ้าไม่สอนพอใจไม่รับก็เลยออกอุบายว่าเนี่ยช่วยเธอได้ช่วยทำให้ลูกฟื้นได้ถ้าเธอไปหาเม็ดผักกาศจากบ้านที่ไม่มีคนตายเธอก็ดีใจไปหาทุกบ้านเนี่ยก็มีคน มีเม็ดผักกาทั้งนั้นแต่ว่าถามว่ามีคนตายไหมก็พูดว่ามีคนตายบ้านนี้ก็มีคนตายบ้านนั้นก็มีคนตายมีคนตายก็ทั้งนั้นเธอก็เริ่มค่อยๆเห็นแล้วว่าเออความตายเป็นของธรรมดาไม่มีใครที่ไม่สูญเสียพอใจยอมรับได้ก็เลยพอใจเห็นตรงนี้ก็เลยยอมรับได้ว่าลูกตายแล้วก็ลูกไปฟังเสร็จแล้วก็ไปทูลไปกราบไปฟ้าพระพุทธเจ้า ตอนนี้แหละพระองค์ถึงแสดงธรรมนะว่าน้ําป่าย่อมพัดพาผู้ที่ห ล, ลับหลงหลับหลชั้นใดนะมตุราชก็พัดพาผู้ที่ลหลงไหลในลูกในทรัพย์สมบัติในคนรักชั้นนั้นนางกิสาคณมีก็บรรลุธรรมเลยนะเป็นพระโสดาบันอันนี้เรียกว่าเปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นธรรมนะลำพังตัวเองเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้แต่ว่าอาศัยคํา คำสอนคำแนะนําของพระพุทธเจ้าก็เปลี่ยนได้แต่บางคนนี่ไม่ต้องมีไม่มีใครสอนนะเปลี่ยนเองอย่างนางสามาวดีนางสามาวดีเนี่ยเป็นมเหสีพระเจ้าอุเทนพระเจ้าอุเทนรักมากจนกระทั่งนาง ม, มาคันธียาอิจฉานาง ม, มาคันธียาก็เป็นมเหสีพระเจ้าอุเทนอิจฉาเป็นตัวร้ายนะนาง ม, มาคันธียานี่เคยเคยหมายปองพระพุทธเจ้านะแต่พระพุทธเจ้าปฏิเสธ นางก็เลยโกรธแค้นลังเกียจพระพุทธเจ้าแล้วก็เลยพลอยเกลียดนางสามาวดีนะเพราะว่านางสามาวดีนี้เ่เป็นผู้ที่ศรัทธาในพระพุทธเจ้ามากาทําบุญให้กับคณะสงฆ์เป็นประจําและนางสามาวดีก็วันหนึ่งก็ถูกนาง ม, มาคันธิยาหลอกให้เข้าไปในในคลังที่เก็บผ้าพร้อมกับบริสัทบริวารห 500, 500้าร้อยห้าร้อย่แปลว่ามากนะ ไม่ใช่ห้าร้อยเปียกๆเลยนะแต่ว่ามากพอนางเข้าไปในนั้นพร้อกับบริวารก็ถูกถูกปิดประตูเลยนะถูกขังแลนำมาขทิยาก็จุดไฟเผาเผาทั้งคลังเลยนะทั้งปราสาทเลยโหดร้ายมากนางนาสามาวดีเนี่ยพอรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็รู้ว่าตายแน่นะเธอก็ให้อภัยนะ ให้อภัยนำมาคันธียาจิตใจไม่โกรธแค้นเลยทนะ่านั้นยังไม่พอนะเธอก็ทำกรรมฐานเอาเวทนาเป็นอารมณ์เวทนาคืออะไรก็คือทุกขเวทนานี่แหละไฟกำลังเผาเนี่ยมันเกิดทุกขเวทนามากกายจะบปวดมากแต่ว่าใจเนี่ยมีสติก็เอาเวทนาเนี่ยมาพิจารณาก็คือดูเวทนานั่นเองนะ ดูเวทนาแต่ไม่เป็นเวทนานะเห็นความปวดแต่ไม่เป็นผู้ปวดก็เห็นถึงเห็นถึงความผันผวนเห็นถึงความทุกข์ของสังขารแล้วก็นางก็แนะนำให้บริษัทบริวารทำอย่างนี้ด้วยนะคือให้อภัยนางมาขันธิยาแล้วก็เจริญสติเอาเวทนาเป็นอารมณ์ แล้วก็ตายในกองเพลิงล่างนี้ดําเป็นตอตะโกเลยเมื่อมีคนมากล่าวทูลผู้โดยเจ้าเรื่องนี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าความตายของนางและบริวารเนี่ยเป็นความตายที่ไม่สูญเปล่าเพราะว่าทุกคนนี้ได้บรรลุธรรมขั้นสูงที่จริงนามมาสามเมดีก็เป็นพระโสดาบันอยู่แล้วนะแต่ว่าเจอเหตุการณ์นี้ก็ทําให้เลื่อนขั้นเร็วขึ้นพวก บริษัทบริวารบางคนก็เป็นแค่ผูุ้ชนนะแต่ว่าพอผ่านเหตุการณ์นี้ก็กลายเป็นโสดาบัลหรือว่าเป็นสกิตาคามีอันนี้เรียกว่าเปลี่ยนครอะให้กลายเป็นโชคนะเปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นธรรมคือถ้าไม่เกิดเหตุการณ์นี้ก็อาจจะบรรลุธรรมเช้ากันนี้ก็ได้แต่ว่าพอเจอเหตุการณ์นี้เนี่ยก็ทําให้จิตเนี่ยนะเอากรรมฐานเป็นที่พึ่งเลยอันนี้เรียกว่าได้โอกาส เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วที่จะต้องรักษาตนรักษาประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมนอกจากแม้กายจะปวดแต่ใจไม่ทุกนะเพราะว่าให้อภัยแล้วแผ่เมตตาให้แล้วแลขณะเดียวกันก็อาศัยกรรมฐานนี่แหละในการพิจารณาจนเปลี่ยนทุกขเวทนาให้กายเป็นปัญญาที่เห็นธรรมก็บรรลุธรรมขั้นสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยการ เปลนทุกให้เป็นธรรมที่สําคัญนะที่เราต้องรู้จักใช้รู้จักทําสม่ําเสมอเริ่มจากทุกเล็กเล็กน้อยน้อยใช่เห็นความปวดความเมื่อยยุงกัดหรือว่าแดดออกเจ็บเท้าไปจนถึงเวลาสูญเสียเงินทองทรัพย์สมบัติถูกคนต่อว่าด่าทอให้เราคิดว่าเราจะเปลี่ยนล้ายให้กลายเป็นดีเปลี่ยนข้อยให้กลายเป็นโชค เปลี่ยนทุกให้เป็นธรรมได้อย่างไรอันนี้ก็ฝากเอาไว้น ะ, ะคานี้ก็พูดกันเท่านี้